สิกขาบทที่5ว่าได้ความห่วงตรกูลเรื่องภิกษุณีห่วงตรกูล 1,042 สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาถาวินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีรูปหนึ่งเที่ยวบินธบาตในตรอกแห่งหนึ่งในกรุงสาวัตถีเข้าไปที่ตรูลแห่งหนึ่ง นั่งบนอาสนะที่เขาปูไว้ครั้นคนทั้งหลายนิมนต์เธอให้ฉันแล้วกล่าวดังนี้ว่าแม้ภิกษุณีอื่นๆก็นิมนต์มาเถิดเจ้าข้าขณะนั้นภิกษุณีนั้นคิดว่าทำอย่างไรภิกษุณีอื่นๆจึงจะไม่มาจึงเข้าไปหาภิกษุณีทั้งหลายบอกว่าในที่โน้นสุนัขดุโคดุสถานที่ลื่นพวกท่านอย่าไปที่นั้นเลย ภิกษุณีแม่อีกรูปหนึ่งได้ไปบิธทบาทที่ตรอกนั้นเข้าไปที่ตระกูลนั้นตั้งอยู่ครั้นแล้วนั่งบนอัสนะที่เขาปูไว้ลำดับนั้นคนทั้งหลายนิมนต์ให้ภิกษุณีนั้นฉัดแล้วได้กล่าวดังนี้ว่าแม่เจ้าทำไมภิกษุณีทั้งหลายจึงไม่มาครั้งนั้นภิกษุณีนั้นบอกเรื่องนั้นให้คนทั้งหลายทราบคนทั้งหลายจึงตาหนิประนามโผทนาว่า ขณนพิกชนีจึงหวงตระกูลเล่าครั้นแล้วพิกชนีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกสุทั้งหลายให้ทราบพวกพิกสุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ